สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเช้า ว, วันนี้เป็นเช้า ว, วันหยุดซึ่งใกล้สงการขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาพี่น้องหลายๆลยท่านครับที่กำลังเดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ดีหรือไปต่างประเทศก็ดีขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทรงนำอารักขาคุม้มครองให้เกิดความปลอดภัยทั้งไปและกลับให้ได้มีความสุข ในการเดินทางและการพักผ่อนในครั้งนี้ครับส่วนผมเองอยู่กรุงเทพครับขอบคุณพระเจ้าที่พรงได้ทรงนำชีวิตของพวกเราและครอบครัวมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็ยังอยู่ใน20กฎทองคำของศาสนาจารย์ฟิลิปเทงและหนังสือเล่มนี้นะครับกฎทองคํา20ข้อชีวิตที่สมานฉันและดีงามซึ่งแปลโดย ท่านศาสนาจารย์สุพิธวิจักโยธินเราต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมาในโอกาสนี้พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในประเด็นที่สามของกฎข้อที่12ครับกฎข้อที่สอนั้นก็คือกฎแห่งความเชื่อประเด็นที่สามในเช้าวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราว3เรื่องราวครับการอธิษฐานการทูลขอและ เราจะต้องมีความเชื่อซึ่งเป็นกฎของความเชื่อเพราะเจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่8พระธรรมมัทธิวบทที่8ผมอ่านตั้งแต่ข้อที่5นะครับจนถึงข้อที่13โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมมีนายร้อยคนหนึ่งมาอ้อนวอนพระองค์ว่าองค์พระเป็นเจ้า บาวของข้าพระองค์เป็นง่อยอยู่ที่บ้านทนทุกทรมานอย่างยิ่งพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไปรักษาเขาให้หายนายร้อยคนนั้นทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากล้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์ขอพระองค์ตรัสเท่านั้นบาวของข้าพระองค์ก็จะหายโลกเพราะว่าข้าพระองค์อยู่ใต้อำนาจคนอื่น และมีพวกทาหารอยู่ใต้อำนาจของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ว่าไปเขาก็ไปบอกแก่คนนั้นว่ามาเขาก็มาบอกทาสของข้าพระองค์ว่าจงทำสิ่งนี้เขาก็ทำเมื่อพระเยซูทรงได้ยินดังนั้นก็ประหลัดพระไัยนักตรัสกับบรรดาคนที่ตามพระองค์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่เคยพบศรัทธา ที่ไหนมากเท่านี้แม้ในอิสราเอลเราบอกพวกท่านว่าคนจำนวนมากที่มาจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะมาร่วมงานเลี้ยงกับอับราฮัมอิสอักยาโคบในแผ่นดินสวรรค์แต่ทายาททั้งหลายของแผ่นดินนั้นจะถูกขับไล่สส่งออกไปในที่มืดที่นั่นจะมีเสียงร้องไห้ขบเคียเค้ยวเคี้ยวฟันแล้วพระเยซูจึงตรัสกับนายร้อยว่า จงกลับบ้านเถิดท่านมีศรัทธาแล้วจงได้ผลตามศรัทธานั้นในทันใดนั่นเองบาวของเขาก็หายเป็นปกติพี่น้องครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่าตามความเชื่อและตามคำทูลขอของเราพระเจ้าจะทรงโปรดให้สำเร็จนี่คือประเด็นที่สำคัญในเช้าวันนี้ เพราะท่านมีความเชื่อแล้วจงได้ผลตามความเชื่อนั้นเถิดพระคัมภีร์ตอนที่2ในเช้าวันนี้ครับปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวไปอีกบทหนึ่งครับพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ27จนถึงข้อที่31ครับพระธรรมมัทธิวบทที่9นี้ก็สําคัญสําหรับชีวิตของผมเลยทีเดียวเพราะว่าการสร่งเรียกผมให้ออกมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลานั้นก็เกิดจาก พระคัมภีบทนี้แหละครับมัทธิวบทที่9ผมอ่านตั้อข้อที่2ี่จ็นข้อที่31นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระเยซูเสด็จไปจากที่นั่นก็มีคนตาบอดสองคนตามพระองค์มาร้องว่าบุตรดาวิดเจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาพวกข้าพระองค์เถิดเพราะเมื่อพระองค์เสด็จไปในบ้านคนตาบอดสองคนก็เข้ามาหาพระองค์ พระเยซูตรัสถามเขาทั้งสองว่าท่านเชื่อหรือไม่ว่าเรามีฤทธิเดชทำการนี้ได้เขาทั้งสองทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เชื่อแล้วพระองค์ทรงแตะต้องในตาของเขาตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของพวกท่านเถิดแล้วในตาของเขาทั้งสองก็กลับเห็นได้พระเยซูทรงกาชับเขาว่าจงระวังอย่าบอกให้ใครรู้เลย แต่เมื่อไปจากที่นั่นแล้วเขาก็เป่าประกาศเรื่องพระองค์ไปทั่วแคว้นนั้นพี่น้องครับนี่คือพระกัมภีร์ตอนที่สองในเช้าวันนี้ครับที่พูดถึงเรื่องของการรักษาคนตาบอดสองคนด้วยความเชื่อเมื่อเราทูลขอด้วยความเชื่อพระเจ้าจะทรงโปรดให้สําเร็จผลพี่น้องครับการที่ คนตาบอดสองคนมองไม่เห็นอะไรเขาเป็นคนพิการครับเขารู้สึกถึงความบกพร่องของชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขามีคือความเชื่อเมื่อพระเยซูเสด็จผ่านพวกเขาตะโกนเสียงดังขอเมตตาข้าพระองค์เถิดมีคนห้ามเขาก็ยิ่งตะโกนเสียงดังร้องเสียงดังมีความกระตือรือร้อนมากครับพระองค์ ทรงตอบสนองความเชื่อของเขาโดยตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของท่านเถิดจงสำเร็จผลเถิดและเขาก็ได้รับสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเขาก็คือการมองเห็นครับการมองเห็นก็กลับมาหาเขาพี่น้องครับอีกตอนหนึ่งครับตอนที่สปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่15ข้อ28ซึ่งเป็นเรื่องราว เกี่ยวกับหญิงชาวคนาอันครับผมจะขออ่านตั้งแต่ข้อที่21นะครับข้อที่21ครับจนถึงข้อที่28โปรดฟังประวั จ, จนะของพระเจ้าแล้วพระเยซูเสด็จจากที่นั่นเข้าไปในเขตเมืองไทระและเมืองไซดอนมีหญิงชาวคนาอันคนหนึ่งมาจากเขตแดนนั้นร้องทูลพระองค์ว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าค่า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดลูกสาวของข้าพระองค์มีผีสิงอยู่เป็นทุกข์ลําบากอย่างยิ่งพระองค์ไม่ทรงตอบนางสักคําเดียวและสาวกทั้งหลายของพระองค์มาทูลพระองค์ว่าไล่นางไปเสียเถิดเพราะนา ง, งร้องตามเรามาพระองค์ตรัสตอบว่าเราไม่ได้รับใช้มหาใครเว้นแต่แกะหลงของวงวานอิสราเอลหญิงนั้นก็มากราบ และทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดช่วยข้าพระองเถิดพระองค์จึงตรัสตอบว่าการเอาอาหารของลูกโยนให้กับสุนัข ก, ก็ไม่สมควรผู้หญิงนั้นทูลว่าจริงเจ้าค่ะแต่สุนัขนั้นย่อมกินเศษที่ตกจากโต๊ะนายของมันแล้วพระเยซูตรัสตอบนางว่าหญิงเอ๋อยความเชื่อของท่านก็มาก ให้เป็นไปตามความต้องการของท่านเถิดแล้วลูกสาวของนางก็หายเป็นปกติตั้งแต่เวลานั้นพี่น้องครับจากพระคัมภีร์ทั้ง3ต่อ น, นี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่มัทธิวบทที่8มัทธิวบทที่9มัทธิวบทที่15มัทธิวบทที่8นั้นพูดถึงนายร้อยมีความเชื่อและพระเยซูก็รักษาเขาให้สําเร็จผลสำริดทิผล ามามเเชื่อขอขขงัทธิวบทที่9ก็พูดถึงเรื่องของคนตาบอดสองคนที่มองไม่เห็นและเมื่อเขาทูลขอความเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูก็ตอบสนองความเชื่อของเขาตามความเชื่อของท่านจงสําเร็จสำริดผลเถิดพี่น้องครับมัทธิวบทที่15ก็เช่นเดียวกันครับหญิงชาวชาวคณาอันผู้นี้เป็นหญิงต่างชาติเป็นชาวคนาอันซึ่งประวัติแล้ว ก็คือเป็นศัตรูกับพวกอิสราเอลมาโดยตลอดตั้งใส่สมัยของโยชูวาแล้วละครับเนื่องจากผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ชาวยิวและลูกสาวนั้นถูกผีสิงแต่นางมีความเชื่อครับความเชื่อของนางทำให้เกิดสำลิดผลหรือสำเร็จผลพระเยซูจึงโปรดที่ปลดปล่อยลูกสาวของนางให้ผี้ายที่สิงอยู่นั้นออกไปครับตามความเชื่อของนาง พี่น้องจะเห็นได้นะครับว่าพระกัมภีทั้งสตอนนี้สรุปรวบรวมแล้วก็คือเราได้หลักตามกฎแห่งความเชื่อนี้ก็คือเราต้องมีความเชื่อเมื่อเวลาเราอธิษฐานทูลขอพระเมตตาจากพระเจ้าเราต้องมีความเชื่อทั้งสามครั้งนี้พระเยซูได้ทรงรักษาคนง่อยก็ดีคนตาบอดก็ดีคนผีเข้าก็ดีพี่น้องครับชีวิตกลับคืนมา ชีวิตที่เป็นปกติกับคืนมาเพราะฉะนั้นเงื่อนไขประการที่สำคัญครับก็คือความเชื่อความเชื่อนั้นทำให้เกิดสำเร็จได้นั่นคือคำสอนที่สำคัญในชาวนี้ในวันพรุ่งนี้ครับเรามาต่อกันครับว่าเราจะใช้ความเชื่อเหล่านี้ได้อย่างไรขอพระเจ้าเมตตานะครับให้พวกเราซึ่งเป็นลูกของพระองค์นั้นจะเพิ่มพูนด้วยความเชื่อ เพิ่มพูนชีวิตของเราด้วยความเชื่อเพื่อที่เราจะสามารถอธิษฐานเพื่อคนอื่นทูลขอวิงวอนเพื่อคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันอเมน